พึ่งพระคันตั้งใจสำรวมใจเขาตนให้ดีใหญ่พุ่งต้านาใหญ่ง่วงเหงาเ้านอนเรานอนกันมาตั้งแต่วันเกิดนูน่นจนจนถึงวันนี้ยังไม่รู้จักอิ่มเลย ดังนั้นการนอนนี้จึงชอว่าเป็นอุปสรรคต่อาการปฏิบัติธรรมไม่ใช่น้อยนะจึงต้องได้ฝึกหัดเอาฝึกได้การฝึกกลับนอนแต่พอประมาณซึ่งไม่เป็นการทำลายถุขภาพ ของร่างกายแต่อย่างใดพระพุทธเจ้าได้ทดลองมาแล้วพระองค์จึงได้มาแสดงเป็นหัวข้อธรรมะไว้และจึงแสดงว่าการลกอำนาจแก่ความง่วงเอาเานอน นี่เป็นการรู้อำนาจแก่กิเลสของหนึ่งการไม่รู้อำนาจแก่ความหลับนอนสามารถเอาชนะความง่วงเงาต่างๆได้ก็ชือว่าเป็นการเอาชนะกิเลสได้ประเภทหนึ่งต้องเข้าใจ จะว่าไม่สำคัญไม่ได้เลยดูแต่พระมหาโมกคันลานะเทระเจ้าเมื่อท่านได้ฟังธรรมของอุตตเจ้าจากพระอัศชิแนวก่อนบวชท่านก็ได้บรรลุโสดาบันเมื่อเมื่อมาขอบวชกับพระศาตดา องบวชไทยแล้วท่านก็ไปบําเพ็ญภาวนาอยู่ในที่สงบสงัดแห่งหนึ่งเกิดความว่งเงาห้าวนอนอย่างแรงไม่สามารถที่จะบรรลุอรหัตอรหันได้ทั้งที่ท่านก็อในบรรลุโธดามันมาแล้ว นานๆถึงว่าเป็นกิเลสที่มีทิทธิพลและเหนียวแน่นจงถึงถึงขั้นพระอราหันโนนถึงจะละขาดได้กิเลสประเภทนี้นะัน่นลองคิดดูอห็นไ ว, ว่ากิเลสเบื้องสูง สิบประการเนีเบื้องต่ำห้าเบื้องสบนห้ารวมเป็นสิบพระอระหันต์เท่านั้นละขาดได้สักกายทิฏฐิความถือว่ากายนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาวิจิกิจฉาความสงสัยลังเล ในเรื่องบาปุญคุณโทษศีละภัตศีละปรมาติความรูปคำในข้อวัดปฏิบัติไม่แน่ใจหรองได้ว่าทางนี้เป็นทางบนทุกหรืออย่างไรหนอในรูปคำอยู่อย่างนั้นเป็นอย่างข้อวัดปฏิบัติที่ รเราก็ตะเจ้าทรงแสดงไว้เนีอย่างนี้ผู้ปฏิบัติตามนี่สงไถ่ลังเลไม่แน่ใจว่าจะเป็นทางพ้นทุกข์อย่างวินัยต่างๆมุนีรูปรูปคำคำจะปฏิบัติตามจริงๆก็ไม่เชิงจะไม่ปฏิบัติก็ไม่ใช่ถ้าพปอย่างนี้ก็เป็นอุปสรรคเนี่ย ให้บรรลุมรรคผลไม่ได้สำหรับท่านผู้เป็นพระโถดาบันท่านก็ละสังโยชน์สามประการนี้ขาดออกไปจากสันดานได้สำหรับพระสกิทาคามีท่านก็ทำราคะโทสะโมหะเหนื่อยน้อยเบาบางไปมากกว่าพระโถดาบัน แต่การรักสังโยชน์สามนั่นละได้เท่ากันแต่ราคะโทสะโมหะนี่พระโสดาบันยังละไม่ได้มากเท่าพระสกิทคามีพระสกิทคามีละได้เบาบางกว่าออนี่เรีว่าสังโยชน์เบื้อง เมืองต่ำสามอย่างมันได้เพิ่มอีกสองอย่างเป็นห้าอย่างนอกจากตักกายทิติวิจิกิจฉาศีรพตาปรามาตแล้วพระอนาคามียังระกิเลสได้อีกสองคือการมราคปฏิฆา กรรมราคะแปลว่าความรักความใคร่ความกำหนัดกินดีในกิเลสกรรมวัตถุกามอันนี้พระอนาคามีท่านละกรมวิตกหล่านี้ขาดไปจากสันดานได้ปฏิฆะคือความหงุดหงิดความไม่พอใจ ใหคนและสัตว์ต่างๆนี่พระอนาคาก็ละได้ขาดเลยพระอนาคาท่านไม่มีความโกรธแม้แต่น้อยอยู่ในใจหรือความหงุดหงิดใจก็ไม่มีไม่ว่าแต่แสดงความโกรธอย่างรุนแดงออกมาความหงุดหงิดความไม่พอใจ ในบุคคลและสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ปรากฏในใจของพระอนาคามีเรียกว่าสังโยชน์เบื้องต่ำห้าอย่างนี้พระอนาคามีลระไดคาดสำหรับสังโยชน์เบื้องบนขึ้นไปอีกห้าอย่างรุ ป, ปราคะอรู ป, ปราคะ มานะอุทจจะอวิชชาห้าอย่างนี้พระอรหันต์เท่านั้นละขาดได้ความยินดีในรูปแต่ไม่ถึงกับยินดีในกามในี๋ยวละกามมาแล้วมาติดอยู่ในรูปกายนี้คงไม่ตกวางไม่ลง เช่นอย่างท่านผู้เพ่งรูปปัจจานเป็นอารมณ์เพ่งรูปเป็นอารมณ์จนว่ากามราคะสงบลงได้แต่สัญญาในรูปยังมีอยู่เช่นนี้นะท่านท่านกล่าวว่าท่านผู้นี้ได้บรรลุรูปปัจจานท่านเพ่งรูปนั่นเป็นอารมณ์ จนเกิดสมาธิแก่กล้าขึ้นเต็มที่สามารถละรูปนั้นสัญญาในรูปนั้นดับไปได้จิตท่านก็ไปติดอยู่ในอากาศสำคัญว่าทุกถึงสุกอย่างว่างเป่าจากสัตว์จากบุคคล สำคัญว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้เลยเพ่งจากอากาศหลุดพ้นจากอากาศไะติดวิญญาณโดยสำคัญว่าวิญญาณ น, นี่ไม่มีสิ้นสุดอีกเหมือนกันท่านรู้ท่านด้วยอำนาจแห่งชานเมื่อมันละเอียดเข้าไปแล้ว ก็จึงสามารถรู้วิญญาณได้วันนีก็สามารถเพ่งวิญญาณนั้นเข้าไปเอาพ้นจากวิญญาณนั้นไปปรากฏว่าจะว่ามีก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่ท่านบอกกินอากินกายตนะฌาน แปลว่าความเพ่งน้อยหนึ่งก็ไม่มีจะว่าไม่มีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่อันนี้ละเอียดเข้าไปกว่าวิญญาณัญจายตนะฌานเข้าไปอีกสุดท้ายฌานที่สี่เนวสัญญานาสัญญายตนะจะว่าสัญญาก็ไม่ใช่ ก็ว่าไม่ใช่สัญญาก็ไม่ใช่เพ่งเข้าไปมันละเอียดเข้าไปรบบนั้นเนี่ยนี่ท่านเรียกว่าอรูปฌานที่แรกก็มองเห็นว่าอากาศนี่ว่างไม่มีทิ้นทุดเป็นอารมณ์อยู่ส่วนรูปนั้นหายไปจากความจำความหมายในจิตใจ ท่านเรียก ว, ว่าอากาสานัญจายตนะฌานนี่นะการเพ่งรูปหรือการเพ่งเลยอากาศไปเราเห็นวิญญาณไม่มีสิ้นสุดขั้นเห็นวิญญาณนี้มากแล้วเกิดในโลกนี้นะ น, นี่เกิดจับเกิดจับอยู่เพราะเพราะนั้น น, นี้ แล้วฌานต่อไปนั้นก็เห็นว่าเพ่งวิญญาณ น, นี้เข้าไปยังเหลือน้อยเต็มทีแต่ว่ามีก็ไม่ใช่ว่าไม่มีก็ไม่ใช่ออยู่ในระวางอย่างนี้เอารลุดจากความมิว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่จากวิญญาณแล้วก็มาเพ่งสัญญาบัณฑิต ก็เห็นทำนองเดียวกับเห็นวิญญาณอีกจะว่าสัญญาก็ไม่ใช่จะว่าไม่ใช่สัญญาก็ไม่ใช่เนมันละเอียดเข้าไปในระดับอย่างนี้ทะเล ว, ว่าอารูปฌานแปล ว, ว่าความเพ่งไม่มีรูปอันนี้นำมาเล่าสู่การฟังแต่ผู้พูดนี่ก็ไม่สามารถที่จะเพ่งให บรรุอรูปฌานได้หรอกแต่ว่าจำหลักวิ ช, ชาเหล่านี้ได้ยังนำมาสแสดงสู่กันฟังพอเป็นที่เข้าใจว่าอันโนกิยฌานนี่นะมีอยู่แปดอย่างฌานเหล่านี้ก็เป็น คุณธรรมพิเศษอันหนึ่งเพราะองค์จัดเข้าในอุตตริมนุสธรรมแปลว่าธรรมอันยิ่งของมนุษย์เพรามนุษย์สรรเสริญกันท่านผู้ใดได้บรรลุฌานสมาบัติแปดแล้วเข้าฌานะหกเดินเดินอากาศได้ดำดินได้ไปบนหลังน้ําเดินไปบนหลังน้ําน้ํา ไม่ไม่จมลงในน้ำได้โมนีท่านผู้ใดบรรลุอัตมาบัตแปดซึ่งเป็นชาโลกีสามารถแสดงฤทธิเหล่านี้ได้หายตัวก็ได้อย่างนี้นะแต่ว่าไม่เป็นหนทางที่จะให้สิ้นกิเลสไปได้ ถ่าไปติดอยู่ในรูปฌานสี่รูปฌานสี่นี่ไม่เป็นทางที่จะหลุดพ้นไปได้ดังนั้นเน่ยพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เจริญวิปัสนาเมื่อท่านพอใจบรรลุฌานเหล่านี้แล้วให้ถอยมาอยู่ในระหว่างรูปฌานรูปฌาน ให้ถอยจิตมาอยู่ระหว่างนี้แล้วก็เจริญวิปัสนาต่อไปเมื่อได้บรรลุอรหัตอรหันต์ก็ไปแล้วท่านเหล่านี้มีฤเเทธิ์มีเดชมากแสดงฤทธิ์ได้ทางต่างนานามีทำคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ขอเอือนเอือนอากาศดำดินไปในน้าได้อย่างที่ว่ามาแล้ว และแสดงฤทธิ์อย่างอื่นได้ตามกําลังบุญวัฒนาที่ได้ที่ท่านได้ปาถนามาอมเมื่อท่านปาถนาอย่างใดมาเมื่อท่านบรรลุฤทธ์อะไรต่ออะไรมาอย่างนี้เมื่อท่านบําเพ็ญบุญกุศลเข้าขั้นแล้วท่านก็สามารถบรรลุ อรหัตตะอรหันได้พร้อมด้วยจตุปฏิสัมภิตายานสี่ชลพิญญาหกอภิญญาหกประการวะนวกวิชาสามหมนีภาษาพวกทั้งหลายท่านละท่านได้บรรลุ ค, คุณพิเศษเหล่านี้สำหรับพระพุทธเจ้านั้น พระองค์ได้บรรลุทศพลยานคือยานสิบซึงพระสาวกพระสาวกไม่สามารถที่จะบรรลุยานสิบประการนี้ได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสัพพเยยะธรรมนี่นะเรียว่ายานอย่างรู้สัพพเยยะธรรมทั้งหลาย มีกุศลธรรมอกุศลธรรมอัรรมอพญาคตธรรมเป็นต้นตลอดถึงมรรคผลนิพพานพระองค์รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งภาษาวกไม่สามารถที่จะรู้ได้ทำบางสิ่งบางอย่างเห็นพระองค์รู้จักจุติปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลาย อย่างนี้ก็ น, น้อยองค์ที่จะรู้ได้รู้กับรู้น้อยไม่มากเหมือนพระพุทธเจ้าส่วนพระพุทธเจ้านั้นเมื่อพระองค์ปรารถนาจะรู้ไปได้เท่าไหร่ก็รู้ไปได้เท่านั้นรู้ความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายแม้การระลึกชาตหโนนหลังก็เหมือนกัน อันพระ อ, องค์นั้นปรารถนาจะระลึกไปในชาติสงสารที่พระ อ, องค์ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายสร้างบารมีมาปรารถนาจะรู้คืนหลังไปเท่าไรชาติพระ อ, องค์ก็รู้ได้ส่วนปัสสาวกนั้นรู้ได้ในวงจํากัดในมากบ้างน้อยบ้างบางทีกร ะ, ระลึกได้เพียงห้าชาติบ้างสิบชาติบ้าง ยี่สิบชาติบ้างเหล่านี้เป็นตน้นอันนี้เรียกว่าทศพรยานเขาพระเทธเจ้าได้ตัดสรุญยานสิบประการมีเตวิโชนรลลึกชาติถนหลังได้หนึ่งรูลล้จุติปฏิสนธิของสัตว์โลกทั้งหลายหนึ่งว่า สัตว์ทั้งหลายนั้นมีกรรมเป็นของตนจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ขึ้นอยู่แก่การกระทําไม่ใช่อย่างอื่นมาทําให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นทุกข์หรือเป็นสุขนี่กระทรงรู้แจ้งนี่แหละอาสวัญคายนิาพราะองค์รู้แจ้งว่าอาศวักิเลสในพระภัยของพระองค์หมดสิ้นไปแล้ว ก็รู้แจ้งประจักษ์ขึ้นมาด้วยพระองค์เองแล้วอภิญญาณญานอื่นๆอีกเช่นอภิญญาณหกอย่างนี้นะก็พระองค์รู้แจ้งแทงตลอดเลยแล้วสมันตาจักขุคือได้แก่จักขุอันวิเศษ เดวา ญ, ญานจักสุอันนี้ไม่มีทั่วไปในสาวกเลยเป็นงานที่สิบเดวา ญ, ญานรอบครอบทุกอย่างทุกประการการที่นำพระคุณนธรรมของพระพุทธเจ้ามาแสดงสู่กันฟังก็เพื่อที่จะให้ได้สำนึกว่า เราได้พระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาเป็นครูเป็นศาสดาของเรานี่นับว่าได้ครูผู้ประเสริฐในโลกไม่มีศาสดาใดในโลกที่จะประเสริฐเท่าพระศาสดาไม่มีเลยก็จะเป็นเหตุให้เรามี ศรัทธาเรื่มใสในองค์พระพุทธเจ้าขึ้นมาในใจเป็นอย่างยิ่งเราจะไม่หลงไหลนับถือศาสนาอื่นลทัทธิอื่นจะมองเห็นว่าลัทธิอื่นนั้นไม่ประเสริฐไม่เป็นทางพ้นทุกข์ได้เมื่อเทียบกับพระพุทธศาสนาแล้วเทียบดูด้วยปัญญาเนะย น, นั่นเอง ขอยมเห็นแจ้งชัดโดยตนเองว่าพุทธศาสนานี่แหละประเสริฐเสิดล้ำกว่าศาสนาอื่นได้ทั้งนี้ไม่ใช่ยกย่องโดยอำนาจของกิเลสเชื่อตามตามกันมาอเถยดเดี๋ยวว่าโดยได้พิจารณาเห็นเหตุผลของพุทธศาสนานี่ โดยแจมแจ้งแล้วว่าเป็นของประเสริฐจริงเพราะว่าพระองค์ผู้เป็นต้นศาสนานั้นพระองค์ละอาทวะกิเลสคือราคะโทสะโมหะมานะทิฐิเป็นต้นเหล่านี้ได้ก่อนคนอื่นทั้งหมดหรวพระองค์ละได้เด็ดขาดกิเลสชาติน้อยใหญ่ทั้งหลายไม่มี อยู่ในพระไทยของพระ อ, องค์เลยอันนี้เนี่ยเป็นความอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ในโลกแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระองค์ไม่มีใครเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนเลยพระองค์สามารถช่วยพระ อ, องค์เองให้ละกิเลสขาดจากพระคันธันดาลได้ โดยลำพังพระองค์เองซึ่งไม่มีมนุษย์และเทวดาอินพรมที่ไหนจะมาละ ก, กิเลสโดยลำพังตนเองใส่ขาดเด็ดไปก่อนคนอื่นทั้งหมดไม่มีเลยความเป็นผู้ละกิเลสได้ขาดจากสันดานนี้หละโลกทั้งหลายก็เทวดาอินพรมยมยักษ ตลอดถึงหมู่มนุษย์และนักบวชทั้งหลายในโลกนี้ยกย่องสรรเสริญว่าท่านผู้เอาชนะกิเลสนาได้โดยเด็ดขาดไม่มีเหลืออยู่ในจิตสันดานเลยเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์และเทวดาอินพรมทั้งหลายจริงๆนักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลาย แม้ท่านยังจะไม่บรรลุมรรคผลเพราะยังไม่ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแต่กุศลธรรมที่ท่านได้สั่งสมมาไได้ได้ความเชื่อความเลื่อมใสที่ได้มีมาในอดีตในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงค์อ น, นั้นมารดนบันดาลให้นึกว่าในโลกนี้ต้องมีพระอระหรันต ต้องมีท่านผู้ปีความเบียนใหญ่สามารถละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้ต้องมีอยู่แนๆ่ๆบางท่านก็จะมาเดินทางสเสวงหาดังที่ได้แสดงเรื่องปุกุษาติให้ฟังมาแล้วนั่นแหละ อ, อาศัยบุญกุศลหนุนหลังที่ท่านทำมามาโดนใจ ว่าเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าคงมีคงบางเกิดขึ้นในโลกแล้วแต่ว่าเรายังไม่รู้ไม่ทราบข่าวาจึงได้ติดตามถามข่า ว, ข, าวข่าวถึงพระพุทธเจ้ามีหลายอยู่ที่ผู้มีบุญกุศลโดนบันดาลให้คิดนึกเรื่อมใสในพระพุทธเจ้าเช่นพระหมหากัตสปะอย่างนี้ท่านก็ บวชอุทิศ ต, ต่อพระพุทธเจ้าทั้งที่ไม่รู้จักว่าพระพุทธเจ้าวังเกิดขึ้นในโลกไม่รู้เลยแต่ก็บวชอุทิศ ต, ต่อพระพเจ้าทั้งสายสามีก็อ่ายสามีก็ดีภรรยาก็ดีก็มีความประสงค์ตรงกันเลยอย่างนี้ถึงได้จึงได้ออกบวดกันทั้งสองในที่สุดก็ได้พบพระพุทธเจ้าจริงๆ พระเจ้ามาหากบพินะกับบริวารกับอมตะพันหนึ่งก็เหมือนกันแต่ละวันเนี่ยพระราชาม่ได้ว่าราชกิจการเมืองเท่าไรนักได้มาสเสกตัวหนึ่งแล้วก็ขี่เที่ยวไปตามมุมเมืองต่างๆคอยสะดับตรับฟังถามขา่าว จากข้อข้าพานิชย์ที่เดินมาถึงเมืองอื่นถามว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกแล้วหรือยังธ้ามหากปิยะขปินะนี่ก็กพาจึงได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าวังเกิดขึ้นในโลกได้ตัดรูธ้ธรรมะสวเลคได้ถุดให้สิ้นไปแล้ว เวลานี้ประทับอยู่เมืองวัดเชตะวันเมืองสาวัตถีพระเจ้ามาหากรพินะก็ได้พระราชทานเงินในพ่อค้าสามคนคนละแสนกาพปณะกันฝ่ายภรรยาให้คนละสามแสนกาพปณะรวมเป็นเก้าแสน รวมแล้วล้านสองแสนกาบนะสามคนข้อค้าทั้งสามคนนั่นนะนำข่าวพระรัชนาคัยมันเล่าให้พระราชาฟังเท่านั้นพระราชามีความเลื่อมใสแรงกล้าเป็นทุนมาแต่าชาติชาติก่อนแล้วก็จึงเกิดปีติยนสลกสลไปสองครั้งสามครั้ง พื้นตัวรู้สึกขึ้นมาแล้วจึงได้เขียนจดหมายให้ให้ถือจดหมายนี้ไปหานางอะโนมาพระมเหสีของพระองค์แล้วพระนางอนโนมาจะพระราชทานพระราชทรัพย์ให้สามพี่น้องนั้นจึงได้ถือเอาสารของพระเจ้ามาหากัปถินะเดินทางเข้ามาสู่เมือง อกุตตะนครแล้วก็นำสารนั้นไปทูลพระมเหสีของพระเจ้ามาหาคัพพินะพะมเหสีได้อ่านแล้วก็ยังตำหนิพระราสามีว่าอืมให้น้อยเกินไปอนอกจากทำตามพระสามีสั่งให้เงินคนละแสนกับ กหาปณะนั้นแล้วปัญญพระราชจะทานเงินส่วนตัวอีกให้คนละสามแสนกาพณะกหาปณะอีกด้วยอย่างนี้แหละคนผู้มีบุญคนผู้สั่งสมบุญกุศล ม, มาเต็มแล้วเพื่อนไม่เยื่อใยในโลกียะสมบัติเลยมุ่งหน้าเสวงหาโลกุตระสมบัติ อันเป็นชิ้นสุดท้ายเป็นสมบัติอันทำให้บุคคลผู้ได้บรรลุได้พ้นจากความทุกข์คือความเคยแก่เจ็บตายความโศกเศร้าเสียใจพี่ไร ล, ลำพันธ์ความคับแค้นใจความเหื่อแห้งใจต่งตางๆมนดิ้ระงับดับไปหมดเลยท่านผู้ไดบรรลุ เห็นแจ้งถึงวันิพานแล้วนี่แหละอนุภาพของบุญกุศลขอให้พากันเข้าใจเมื่อบุคคลพยายามสั่งสมให้มากเข้าไปมากเข้าไปแล้วทีแรกก็เป็นโลกิยากุศลอยู่แล้วนะ่ะเมื่อมีกําลังมากเขาแล้วมันให้เบื่อหน่ายในกิเลสกรรมวัตถุกรรม ในมองเห็นว่ามีทุกมีโทษมากเป็นเหตุให้เที่ยวเกิดแก่เจ็บตายเป็นเหตุให้ได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันไปในสงสารไม่มีสิ้นสุดบุคคลผู้ผูกอภ า, าบาตอาฆาตจองเวรกันกรรมเวร น, นั้นตามสนองกันชาตินี้นายกอฆ่านายขอตาย าชาติต่อไปในขอคำนั้นก็บรรดาใ้ในขอไปฆ่าในกอตายโผูกคันกันไปอยู่อย่างนี้แหละ mm. ถ้าไม่ถึงฆ่าคันตายอย่างนั้นไปเบียดเบียนทรัพย์สมบัติของกันและกันหรือว่าทำลายร่างกายให้ทุพลภาพคำนั้นมันก็ตามสนองอีกเกิดไปชาติใด ผู้นั้นมีสมบัติเอาขอเงินทองมาก็บังเอิญมีโจรมากี้มาปล้นเอาไปขัดขืนมันก็ทำร้ายร่างกายให้เจ็บไปปวดให้ทุพพลภาพลงก็มีเสียองคชะไปตลอดวันตายก็มี อ, อย่างนี้แล้วเดียวว่านี่เดียวว่าโทษแห่งกรรมเวทโทษแห่งความโกรธ ความพย า, ายามจองเวรซึ่งกันและกันไปในสงสารนี้กว่าจะได้เห็นโทษแหงความพย า, ายามจองเวรนี้ต่อเมื่อได้พบพระพุทธเจ้าหรือได้พบพระสงฆ์สาวกของพระองค์แล้วได้คําได้ฟังคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนั่นแหละยิ่ง สามารถที่จะละความโกรธความมายาบาตนั้นได้เมื่อเห็นโทษแห่งความโกรธความมายาบาตนั้นแล้วเพียงไม่ยามละให้มันหมดสิ้นไปจากกิจใจได้อย่างนี้แหละบรรดาผู้ไม่ได้ปาตถนามิรู้พระเจ้าเป็นภาษาวกนี้ ต้องได้ฟังคำสั่งสอนของราาพระพุทธเจ้าเสียก่อนแล้วจึงสามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ในนับแต่ขันต้นขึ้นไปไม่สามารถที่จะปฏิบัติค้นคว้าหาทางสัดทะลุมรรคผลนิพพานด้วยตนเองได้เหมือนอย่างราาพระพุทธเจ้าเหตุนั้น จึงได้นามว่าสาวะโกแปลว่าผู้รู้ตามเห็นตามผู้เชื่อฟังตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วลงมือปฏิบัติตามโดยความไม่ประมาทก็สามารถบรรลุมรรคธรรมวิเศษได้จึงได้นามว่าสาวกหรือว่าสาวโกแปลว่าผู้เชื่อตาม ผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าจนได้บรรลุมรกผลธรรมวิเศษนี่ปฏิปทาของพระสงฆ์สาวกของพระเจ้าเป็นอย่างนี้พาไปเข้าใจไม่ใช่ว่าไม่ได้ฟังคำสอนพระเจ้าก็สามารถละอาสวะกิเลส ให้หาดจากสันดานได้ไม่มีต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเหลือมากมีองแปดให้เต็มบริบูรณ์แล้วเมื่อใดนั่นแหละถึงจะกรมจัดสังยชนสิบประการดังกล่าวมาแล้วนั้นให้หมดสิ้นไปจา ก, กจิตใจได้ดันั้น พวกเราเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ขอให้พากันพิจารณาให้มันเห็นตามที่นำเรื่องราวของพระพุทธเจ้าและภาษาวกมาแสดงสู่ฟังนี้ให้มันเห็นแจ่มแจ้งขึ้นโดยใจของตนเองอย่าเมินเฉยเสียเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเฉยเสียก็ไม่ได้ปีติไม่ได้ความเลื่อมใสอันแดงกล้า ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์หลายเมื่อไม่มีความเลื่อมใสแรงคล้าในสาวกของพระองค์ก็ไม่มีกำลังใจเข้มแข็งที่จะปฏิบัติเพื่อละกิเลสให้ขาดจากทันดานโดยเอกิดโดยเอกเทศบ้างโดยสิ้นเชิงบ้างได้ แม้เขาว่ากิเลสเหล่านั้นละไม่ได้ทาไมได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนดังนั้นแหละขอให้พ า, ากันเข้าใจเมื่อเรายังไม่มีไม่ได้ปลูกความเลื่อมใสเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์อย่างมั่นคงยิ่งยังแล้ว ก็จะต้องวกเวียนเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกนี้บางทีก็หลงไปทำบาปทำความชั่วเห็นหลงไ้ฆ่าสัตว์ทักทับประพฤติผิดในกามกลางมุสาวาทดื่มทุราเมลยัยกัญชายาฝิ่ น, นเฮโรอีนเหล่านี้เข้าไปก็ได้ชื่อว่าสั่งสมบาปขึ้นในจิตใจแค้บาปกรรมเหล่านี้เมื่อหลังจาก ตายจากโรคนี้แล้วบาปกรรมนี้ก็ น, นำดวงจิตไปเกิดในนรกอบายภูมิให้ทนทุกข์ทรมานอยู่นานแสนนานกว่าจะหมดกรรมหมดเศนอันนั้นด้วยเหตุนี้พระศาสดาถึงได้ทรงตรัสว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์นั่นแหละเพราะว่าเมื่อมันปล่อยให้วิชาตัญหาครอบงาจิตใจ ไม่รู้ไม่ฉลาดขึ้นมาไม่สามารถที่จะมิวบายสอนใจให้ละกิเลสตัณหาได้ก็ย่อมได้ประสบความทุกมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นดังกล่าวมานั้นไม่รู้จักจบจักสิ้นไม่รู้กี่ชาติกี่ภพก็อยู่อย่างนั้นเละพอเมื่อไม่รู้จริงเย็นแจ้งในธรรมของจริงแล้วออกจากทุกไม่ได้เลย มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายตลอดถึงเทวดาอินพรหมก็เหมือนกันต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าโดยความไม่ประมาทมีการสํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจอันนี้ให้ตั้งอยู่ในกรอบแห่ง ทาแห่งวินัยแห่งศิลไม่ให้ล่วงเกินธรรมวินัยศิลป์ดำอันดีงามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วนั้นไม่ปล่อยให้จิตใจมันไหลไปตามอำนาจของกิเลสโดยส่วนเดียวมันนึกน้อมถึงคุณ พระพุทธเจ้าก็ทำประสงค์เสมอเสมอไปดังที่นํามาแสดงให้ฟังนี่แหละเมื่อระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ประเสริฐอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็มานึกถึงพระธรรมนึกถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นนิยานิการทำนําผู้ปฏิบัติ ให้พ้นทุกข์พ้นไปไปได้จริงๆศีลเป็นเครื่องกำจัดความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาพยาบาทอาฆาตชงเวนอย่างงาบนั้นออกไปจากจิตใจได้สมาธิทำไม่มากจะเลยไห้มากแล้วเป็นเหตุให้ละกิเลสอย่างกลาง คือนิวรณ์ห้ามีความรักความใคร่ในกรรมกิเลสกรรมมรรุกรรมและกับความโกรธความรยาบาทในบุคคลและสัตว์อื่นมีความว่วงเหงาเหานอนเกียดครัดไม่ชอบไม่ขยันทำความเบียน เมื่อจะทำความเพียรละกิเลสตัณหาในกะนีก็เกิดความเกียดค้านอ่อนแอขึ้นมามีแต่ความง่วงเหงาหาวนอนแต่ถ้ามานึกถึงกิเลสความรักความใคร่เข้ามาแล้วนี่ตาใสความง่วงเหงาหาวนอนก็าหายไป อันนี้เพราะฉะนั้นความว่งเงาเฒานอนเนี่ยจึงที่ว่าเป็นกิเลสตัวสำคัญขัดขวางไม่ให้หลุดพ้นจากวงจรของกิเลสตัณหาอย่างกลางนี้ไปได้ปัญญาเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างละเอียด ให้หมดไปสิ้นไปจากขันธะสันดานอันนี้เรียกว่าศีล ส, สมาธิปัญญานี่นะศีลยอมกาจัดกิเลสยังงากให้ระงับไปได้เมื่อบุคคลสมทานมั่นในศีลแล้วไม่ยอมทำบาปสิ่งใดพระองค์บัญญัติว่า เป็นบาปเป็นกรรมเวรเวรไม่ทําเด็ดขาดไปเลยอย่างนี้นะอันนี้เพราะฉะนั้นไอค้ความโลภความโกรธความหลงอันใดที่จะให้พาไปทําบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นดังกล่าวมานั้นนะยอมระงับไปตั้งแต่ศีลเลยถ้าผู้มั่นในศีลยิ่างจริงเอาชีวิตมูชาศีลไปเลย เมื่อสมรมทานมั่นลงในศีลแล้วใครจะมาบังคับให้ทำลายศีลก็ไม่ยอมยอมผีชีวิตเขาจะฆ่าก็าแล้วแต่แม่สัตว์ลายจะมาทำลายชีวิตอย่างนี้มีอาวุธอยู่ในมือฮิตจากะตอบโทมันฆ่ามันให้มันตายก็ไม่ยอมฆ่ า, าปล่อยให้มัน เอาไปกินตามความประสงค์มันทะถ้าผู้ดใดสละชีวิตเพื่อศีลได้อย่างนี้นะท่านเรียกว่าเป็นปรมาถศีลเป็นศีลอย่างสูงส่งสามารถกำจัดความโลภโกรธรงอิทธาพยาบาสุนตาเหล่านี้ออ ก, ก, กจากจิตใจได้ในขั้นต้นนี้นั่นแหละสมาธิเมื่อบุคคลบำเพ็ญให้ บรรลุถึงรูประชานสี่อะลูประชานสี่อย่างนั้นแล้วเรียกว่าคำจัดนิวรได้อย่างส ง, งัดทีเดียวแต่ว่าพอคำจัดได้แต่เมื่อเวลาฌานยังไม่เสื่อมนะคั้นเมื่อปล่อยฌานนั้นเสื่อมลงไปแล้วนิวรณห้านั้นก็บังเกิดขึ้นมาอีกอย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นจึงยังถอนรากของกิเลสเต่านั้นไม่ได้เพียงแต่ขั้นสมาธินี่ระ ง, งับจากกิเลสแล้วนั้นให้สงบตัวอยู่ได้ชั่วคราวเท่านั้นเองดังนั้นนะ่ะถึงอย่างไรก็ต้องบําเพ็ญสมาธินี่ให้เกิดมีขึ้นให้ได้ก่อนระ ง, งับติวน่าลงได้ชั่วคราวก็ตาม ก็จะเป็นบอกเกิดของปัญญาต่อไปถ้าไม่ทำใจนี่เป็นสมาธิแล้วจเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นไม่ได้เลยดังนั้นเมื่อสมาธิบางเกิดขึ้นแล้วเระงับกิเลสอย่างกลางให้สงบตัวอยู่ได้ไม่มีกำลังแก่กล้า เหมือนอย่างี่เลสจะงงบับแต่ละมาได้แต่สินนั่นมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดขึ้นในใจเดี๋ยวว่าใจเบาใจคล่องแคล่วใจไม่อึดอัดไม่ขัดข้องมีความรู้กระจ่างแจ้งขึ้นในใจฮิต สิ่งใดพิจารณาสิ่งนี้ก็เห็นแจ้งประจักษ์ในสิ่งนั้นตามเป็นจริงได้ปัญญานี่พระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่านัตถิปัญญาธราอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีบรรดาแสงพระอาทิตย์พระจันทร์ ส่องโลกนี้ให้สว่างก็ส่องได้แต่ที่แจ้งเท่านั้นเองที่มืดเช่นถ้ำอย่างนี้แสงพระอาทิตย์พระจันทร์ส่องเข้าไปไม่ถึงเลยหรือภูเขาเรากออย่างนี้แสงพระอาทิตย์พระจันทร์ส่องไม่ทะลุแต่ส่วนปัญญานี่แสงสว่างแห่งปัญญาเนี่ย สามารถทองทะลุแ ม, รรม่ในถ้มในภูเขาเรากออันหนาทึบไปด้วยหินศิดาทั้งแท่งก็ตามปัญญายาณที่ท่านพระอริยบุคคลทั้งหลายได้บำเพ็ญในเกิดมีแล้วท่านย่อมสอดส่องมองทะลุเห็นแจ้งไปหมดเลยอันนี้ภายในร่างกายนี่ ลำพังใดตาหนังก็ไม่สามารถสามารถที่จะมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ภายในซึ่งมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบนี้ได้ต่อเมื่อได้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นจากสมาธินี่แล้วดวงจิตนี่เกิดแสงสว่างพองใสขึ้นมาแล้วก็มองเห็นอวัยวะ ร่างกายนี่อวัยวะน้อยใหญ่ของร่างกายนี่นะได้โดยแขมแจ้งเลยไม่สงสัยลังเลยแล้วอือวัยวะน้อยใหญ่ร่างกายอันนี้ล้วนแต่ประกอบไปด้วยธาตุตินน้ำไพลลมแล้วมีบุญกรรมบาปกรรมเป็นเครื่องตกแต่งให้เมื่อบุญกรรมบาปกรรมไม่เที่ยงแล้ว รูปกายอันนี้ก็ไม่เทียงเช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อรูปเมื่อบุญกรรมบาปกรรมหมดอายุมนันลงไอ้รูปกายนี้ก็จึงตั้งอยู่ไม่ได้ก็จึงแตกดับทำลายไปด้วยกันนี่แหละคาที่พระโกลดัญญะท่านรู้ขึ้นมาว่ายังกินจิตสมุไดยะธรรมัง สัป บ, บัาตังในโรทะธรรมังแปลว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้ดังนั้นนะ่ะให้พึ่งพากันพิสูจน์ให้เข้าใจความจริงของรูปของนามอันนี้ ทำเป็นจริงดังที่พระอัญญาคนณั ญ, ญะท่านมองเห็นด้วยอำนาจแห่งโสดาปฏิมัติโสดาปฏิผลนั่นแหละพระโสดาบันท่านจึงไม่ทำบาปเล็ดขาดไปเลยถ้าเป็นภิกษุสามเนร จะจงสำรวมในวินัยให้เคร่งครัดไปเลยไม่ยอมร่วงถ้าตนร่วงสิขาบทใดก็ยอมแสดงต่อเพื่อนวิกสูเสียสารภาพความผิดลงไปถ้าต้องอาบัต สั้งคาทิเศษอย่างนี้ก็ต้องยอมอยู่กรรมใครยอมลดตัวลงให้เต็มที่เลยใครจะดูถูกดูหิ่นนินทาอย่างไรก็ตามยอมไม่ตอบโต้เพื่อหวังว่าจะละ มานาทิธิอันเป็นเหตุให้ร่วงวินัยอย่างร้ายแรงนั้นได้ถ้ายังถือมานาทิธิไม่ยอมให้ผู้อื่นดุด่าว่ากล่าวหรือติเตียนได้อย่างนี้อ้บาปประทรบอันนั้นมันก็ไม่หมดเหมือนกันมันเป็นอย่างนั้น ดังนั้นการอยู่บริวัติกรรมมันจึงว่าเป็นการประพฤติทรมานตนให้ละทิฏฐิมานะความกระด้างกระเรืองทั้งร่างกายและจิตใจนี้ให้น้อยเบาวางออกไปจนกว่ามันจะหมดสิ้นเป็นสามเณรอย่างนี้ถ้าล่วง สิ่ขาบทใดแล้วไม่ยอมแสดงต่ออุปชาอาจารย์ไปเก็บกักไว้แล้วก็ถือเพศนุงเงองหุ่มเรื่องอยู่ทั้งที่ตนมีสินขาดไปแล้วในเช่นนี้มันก็ยิ่งเป็นบาปหนักอยู่ไป บาปก็ยิ่งทับถมเข้าไปเรื่อยๆถ้าสามเณรนะรู้ว่าตนต้องอาบัติภารชิกของสามเณรเนืยอย่างนี้มันก็ต้องลาสิขาบทไปเป็นเครือขัดหาเลี้ยงชีวิตด้วยตนเองนั่นเสียอย่างดีกว่าที่คืนบวชนุ่งห่มผ้า คาสาวพัฒอยู่ก็ยังไปบาเพ็ญบุญกุศลตอนเป็นเครือหัดให้เกิดมีได้อยู่ถ้าเป็นสมนาเพศนี้ไม่สามารถจะบาเพ็ญบุญกุศลให้เจริญขึ้นได้เพราะว่ากฎที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้นั่นแล้ว ถ้าปฏิบัติตามกฎนัานแล้วก็ยังขอมีหนทางสั่งสมบุญกุศลไปได้ต่อไปอยู่เป็นเพืคอเหตุผลถ้าว่าเราปฏิบัติตงตามทมตามวินยัยด้วยดีได้อย่างนี้โดยความไม่ประมาทวินัยอันใดเกี่ยวกับราคะอย่างนี้นะ แต่ราคาภูเรดมันแรงกล้ า, าก็ต้องทรมานร่างกายเข้าด้วยอดนอนผ่อนอาหารลงไปมันไม่ตายหรอกเมื่อบุญเก่ายังหล่อเลี้ยงอีวิทีอยู่ไม่ตายอดนอนผ่อนอาหารช่วยทางจิตใจด้วย เมื่อจิตใจเมื่อร่างกายมันอ่อนเพียลงไปในใจที่มันกำเริบด้วยราคะาันหามันก็อ่อนลงตามกันนี่ผู้หวังความบริสุทธิ์ต่อตัวเองไปกลัวแต่ทุกข์กลัวแต่ตายอยู่ก็ไม่สามารถที่จะละกิเลสบาปธรรมอันหยาบคลายเหล่านั้นลงได้ ขอให้เข้าใจผู้ใดมีบาปผิด ต, ตัวและอย่างนี้ถึงมีอายุอยู่ไปได้ถึงร้อยปี mm hmm. ก็ไม่ประเสริฐเลยมีแต่พอกคูณบาปขึ้นในทนเรื่อยๆไปเป็นอย่างนั้นผู้ใดคิดเห็นอย่างนี้แล้วก็จะได้รีบเร่งทำความเพียรทรมานตนเข้า ให้เต็มที่แต่ก็เรียกว่าทำทำพอประมาณไม่ใช่ว่าทำโดยไม่มีวายแยบคายต่งางๆเหมือนอย่างเขาอดเข้าประทว่วการเมืองเหมือนนั้นอันนั้นเรียกว่ามันอดโดยไม่แยบคาย บางคนก็เลยตายไปเลยก็มีอันนี้อดนอนผ่อนอาหารอย่างนี้ก็รู้จักประมาณพอดีเมื่อทรมานตนไปอย่างนั้นนั่นละแล้วกีเลสสาคาต น, นะมันอ่อนกำลังลงมากสมควรได้อย่างนี้ก็เอามันตามปกติไปถ้ามันกำเลิบ รุนแรงขึ้นมาก็ผ่อนลงไปตอ้องผ่อนบันลงไปอย่างนี้การหลับการนอนก็เหมือนกันจะรู้ว่าราคาตัณหามันแรงกล้ามากไปนอนมากมันก็ยิ่งเพิ่มกําลังราคาตัณหาให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลําดับเอเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจ ก็ต้องฝึกตนเข้าไปแหละผู้ใดเห็นโทษของกิเลสราปประท ร, รมันนำไปสู่ทุกข์ยืดยาวนานเมื่อผู้ใดเชื่อตามพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วผู้นั้นก็จะยินดีฝึกตนทรมานตนไม่เห็นแก่ความทุกข์ากลำบากเหน็ดเหนื่อย ไปอย่างใดดีกว่าไปเป็นทุกข์ทนทรมานอยู่ในนรกในเปรตในอสุรกายในสัตว์ดิเรกชนันถ้าไปทนทุกข์ทรมานอยู่นั้นยิ่งแสนสาหัสสาคัญกว่าความทุกข์ในการประกอบความเบียนอดทนผ่อนอาหารอย่างว่านี่หลายน้อยเท่าหลายพันเท่า ถ้าผูใ้ใดเชื่อพระปัญญาติตรรู้ของพระพุธเจ้าอย่างนี้แล้วก็จึงไม่เลี้ยงกิเลสให้อ้วนปีขึ้นในกายในใจของตนเอากิเลสทางกายมันรุนแรงอดนอนผ่อนอาหารลงให้มันอ่อนลงไปเด็ดทางไปใน ใ, นใจมันรุนแรง กุงช่านเลื่อน้อยเอานั่งสมาธิแหงเข้าไปสละตายลงอาจิตไม่สงบจากกิเลสเห่านี้แล้วไอ้มันตายกับที่นั่งนี้แหละดีกว่าปล่อยให้กิเลสมันจูงไปทำความชั่วตายแล้วไปตกนรกอบัยภูมิเหมือนอย่างภาษาวกห้าองค์่จ่อน ทั้งด้ศาสนาพระพุทธเจ้ากระสระย่ควรพิจารณาเห็น้าพภิกษุภิกษุณีสมม า, ถถามเณรประพฤติเหลวไหลต่อธรรมวินยัยทำลายศาสนาให้เสื่อมลงท่านเหล่านั้นมีวาสนาก็เกิดความสังเวชสลดใจแล้วก็ไม่มีอำนาจที่จะไปบังคับบัญชาภิกษุสามเณร นามพิทูนีต่างๆเหล่านั้นได้จึงได้ชวนกันทําพระองค์ขึ้นเขาลูกหนึ่งซึ่งมันชันมากอาจจะขึ้นปีนป่ายขึ้นไปด้วยเท้าเผ่านี่ไม่ได้ต้องทําพระองค์พาดแล้วก็ขึ้นไปได้เมื่อขึ้นไปถึงหลังเขาแล้วตัดพระองค์ทิ้งเลยมาเนี่โดยสัญญากันว่า ถ้าผูใ้ใดทำความเพียรบรรลุอรหัตผลแล้วสามารถเหาะไปได้ก็จะเหาะไปบินทวาดมาฉันผู้ดใดทำความภาคเพียรไปละกิเลสให้ขาดจากทดาดนไม่ได้ก็ไม่ต้องฉันอาหาร ท่านหลนั้นสัญญากันอย่างนั้นแล้วก็ต่างคนต่างทำความเบียนในคืนแรกพระผู้เป็นหัวหน้าสำเร็จอราหารอรันเหอปวินทบาทมานิมนในท่านทั้งสี่นั้นมาฉันท่านเหล่านั้นก็ไม่ฉันวันที่สองมาท่านพระองค์รองลงไป ก็ได้บรรลุอนาคามีผลอนาคามีผลนี่เข้าฌานได้นะอันนี้อันจึงหออไปวินทบาท